อ่นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิสูจน์สมณเณรทั้งหลายตอนนี้ไปก็มาฟังเรื่องราวขุนนางสามาวดีต่อไปเสําห <c oughs> แับเรื่องราวขุนนางสามมาวดีตอนนี้ไม่มีเรื่องอะไรที่พรนางสามาวดีจะได้รับความดีเลยมีแต่มีการถูกกลั่นแกล้งจา ก, กพนางมาคันดียา ฉันั้นพวกเราเหล่าผู้ตบริษัททุกท่านจึงมีความเข้าใจว่าพราะนามสามาวดีก็ดีหญิงตั้งห้าร้อยก็ดีเป็นพระโสดาบันและเมื่อเป็นพระโสดาบันและยังถูกกลั่นแกล้งแบบนี้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ายังมีร่างกายอยู่ขณะใดที่เรายังมีร่างกายอยู่กรรมเร่างสองไม่ได้การย่อมให้ผล คือขณะใดที่กรรมที่เป็นกุศลเดิมส น, นองเราก็มีความสุขกรรมที่เป็นอกุศลเดิมส น, นองเราก็มีความทุกข์ฉะ <c oughs> นั้นการเกิดจึงเป็นของไม่ดีจะเกิดกี่ชาติก็ดูพรนางสามาวดีก็แล้วกันพร <c oughs> นางสามาวดีพร้อมหญิงห้าร้อยท่านเป็นประสดาบันท่านยังถูกแกล้งแกล้งถึงขนาดนี้ ในเมื่อพวกเราทั้งหลายมีความดีเท่าพ น, นางสามาวดีแลว้วทุกอย่างก็ไม่ทราบเรื่องที่จะไม่ถูกแกล้งแกล้งนั้นไม่มีเกิดถือว่าเรื่องถูกแกล้งแกล้งนั้นเป็นของธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกและขึ้นชื่อว่าคนเลวอย่างพ น, นามมางคนิยาจะเป็นพ น, นามมางคนิยาแลือาใคร่าตามท่านเลวแล้วก็เอาดีไม่ได้ไม่กัน ่างนั้นองค์สมเด็จพระสงฆ์ทัานจึงทรงสอน <c oughs> ว่าเสวันนาจะพาลา น, นังปันฑิตานนั่นจะเสวนาปูชาจะปูชนในานังเอตามังครมุตตมังนังแปลเป็นใจความว่าจงอย่าคบคนเลวจงคบแต่คนดีจงบูชาแต่บคุคคลที่ควรบูชา แล้วก็สําหรับคนเลวนี่ผมลองมาแล้วไม่มีดีแน่ทํำยังไงก็ดีไม่ได้สําหรับคนดีก็เช่นเดียวกันยังไงไงให้นคนดีไม่มีเลวเหมือนกันคนดีเราต้องบูชาคนเลวคงเวียงทิ้งไปไม่สนใจกับคนเลวฉะนั้นการสงเคราะห์ก็ควรจะสงเคราะห์เฉพาะคนดีเขาให้เราถึงให้เขาไม่ให้เราจงอย่าให้ เป็นว่าตอนนี้ก็มาฟังเรื่องราวของพระนางสามมาวดีต่อไปผมไม่คนพูดมากดีไม่ดีดยิ่พูดป่วยไปอีกเป็นว่าพระ น, นางสามมาวดีได้ดีตอนนี้ดีใหญ่รับพรพิเศษ <c oughs> มีโอกาสพบองค์สมเด็จพระบรมาโลกเกชได้ทั้งภายนอกและภายใน แล้วนอกจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตร ย, ยังส่งพระอานนทมาประจำพระอานนทนี่เป็นพระสําคัญมากเจริญศรัทธาคนดีมากจะได้ขอท่านทั้งหลายที่เป็นพระเป็นเลน <c oughs> และเป็นอมบาสุกอมบาลิกาจงดูตัวอย่างพระอานนทเป็นสําคัญจะเป็นคนเห็นกับตัวใช้ปัญญาให้มากคําสั่งใดๆ รับวาจาจากบุคคลใดเข้าใจวาจาเ้าดีปัญญาของคนนี้จะรู้ได้จากการรับคำสั่งหรือว่าฟังคำพูดคนเลวคิดอย่างเดียวว่าฉันแค่พูดอะไรใครก็พูดอะไรมาไม่ฟังเราพบ ก, กันเยอะตอนนี้ไปก็มาเล่ากันต่อไปเดี๋ยวจะยุ่งใหญ่หมดเวลาไปสี่นาทีแล้ว เป็นนั้นว่าว่า น, นางมันคดยาเจ็บใจหนักจะแกล้งให้มันตายมันกลับได้ดีเป็นกรณีพิเศษหาโอกาสใหม่ถ้าไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาดีกลไม่ได้ด้วยมนก็ต้องเอาด้วยคาถาวัดมีพระห้าหกสิบองค์เขาบอกว่าเป็นวัดร้างอย่างได้อย่างนี้ก็ไม่ควรจะเจ็บใจเพราะเขาเป็นคนเลว เป็นวัดครับเป็นว่าคิดต่อไปวันหนึ่งเป็นเวลาที่พระราชาเสเวยน้ําจันทน้ําจันก็คือดื่มเหล้าเขาเรียกน้ําจันทําไมจึงเรียกอย่างนั้นผมไม่สาบมันหอมนึกว่ามันสาบไอเหล้ามันหอมสําหรับคนชอบเมาแต่มันเหม็นสําหรับคนอย่างผมคนอย่างผมกินเหล้าไม่เป็นมาตั้งแต่เกิด เวลานั้นนางนามาคณิยาคิดได้ว่าคราวนี้ต้องเอานางสามาวดีให้ตายให้ได้จึงได้ส่งข่าวไปถึงท่านอาเวลา น, น, นั้นท่านอาเป็นบโรโอหิตบอกว่าจงเอาไก่เป็นมาแปดตัวเอาไก่ตายมาแปดตัวแล้วก็เวลามาต้องยืนที่บันไดอย่าเพิ่งขึ้นมาข้างบนเมื่อเรียกขึ้นมาก็จงอย่าขึ้น มาเอาไก่เป็นไก่ตายมาครบอย่างละแปดตัวแล้วก็มายืนที่บันไดทรงข่าวก็เจ้าพนักงานมาเวลานี้เอาไก่มาแล้วพระนางว่าคณิยาก็กราบทูลพระเจ้าเทียนว่าทรงสเสวยน้ําจันทร์แบบนี้ถ้าได้แกงไก่ผสมจะดีเจ้าเทียบอกว่าเออดีเหมือนกันนะฉันอยากจะกินเล่ากับแกงอ่อมไก่ใครจะไป็นคนทำ พระนางมังคติยาก็บอกว่าให้พระนางสามาวดีกับหญิงห้าร้อยว่างอยู่ไม่มีงานทําก็แล้วแกงก็แล้วกันพระเจ้าเทงก็เห็นชอบจญิงได้ให้สัญญากับเจ้าท่านอาให้เอาไก่เป็นไปให้บรรนางสามาวดีว่าขอจงแกงมาถวายพระราชาจะเสวยร่วมกับน้าจันทร์เมื่อบรรดา ว่าคนที่นําไปนั่นคืออานําไปแล้วคนที่นําไปจะไม่ต้ ง, งานนําไปให้พนางสามาวดีมันเป็นไก่เป็นนี่พนางสามาวดีก็หญิงห้าร้อยท่านเป็นบาโสดาบันไม่ละเมิดสินห้าจะไม่นะว่าระโสดาบันทรงแค่สินห้ายังมีผัวมีเมียได้ก็บอกว่าถ้าไก่เป็นฉันไม่ฆา ถ้าว่าเป็นไก่ตายฉันก็จะทำแลนักมางานก็มารายงานบอกเวลานี้พ น, นานสามาวดีไม่ยอมแกงไก่พระเยาคา่ะเพราะไอคนนี้ก็รับจ้างรางวัลเหมือนกันได้รับชิ้นบนจะไม่บอกว่าไก่เป็นไก่ตายเขาไม่พูดว่าไม่ไม่เพราะนานสามาวดีกับหญิงห้าร้อยไม่ยอมแกงไก่พระเยาคา่ะนามังคตยากรก็กราบทูลพระราชาว่าดูดิ นางสามาวดีกับหญิงห้าร้อยมันน่าใจพระองค์สั่งให้แกงไก่ถวายพระองค์มันไม่ทำพระเจ้าเท็นก็เฉยก็รู้แล้วว่ามาคันดียาเป็นคนเลวเลยไม่อยากจะเชื่อนางก็พูดต่อไปว่าคำสั่งเขาออกคำสั่งใหม่ให้แกงถวายพระสมณโคดมพระเจ้าเทนบอกเออก็ดีเหมือนกัน ก็มีคำสั ces, ld, we die, we again, annoying, ifs, uin, ่งบอกว่าให้นางทั้งห้าร้อยแกงไก่ถวายพระสมณโคดมตอนนี้เจ้าอาหมอบไก่ตายทั้งแปดตัวให้กับคนรับใช้ไปเมื่อไปถึงบัรนางสามมาวดีก็อยู่ห้าร้อยก็บอกว่าเชิญเลยเถอะถ้าไก่ตายเท่าไรก็ทำโดยยอมทำเจ้าหน้าที่ก็มารายงานบระนางมาคดียาว่าบรรนางสามมาวดีพร้อมทำไปเจ้าการ เพื่อจะถวายพระสมณคดมแต่เขาไม่ได้บอกว่าไก่ตายตายแล้วพระนามังคติยาวก็กราบทูลพระราชาวดูสิอิงพวกนี้มันไม่รู้คุณของพระองค์ให้แกงไก่เพื่อพระองค์มันไม่ยอมแกงแให้แกงไก่เพื่อพระสมณคดมมันพร้อมแกงนี่แสดงมันนอกใจมากเพราะเจ้าเห็นปังแลว้วก็เฉย รู้ว่าอีหญิงกาดคนนี้มันเลวแสนเลวก็ช่างประไร่พระนางสามาวดีกับหญิงห้าร้อยเป็นมิตรที่ดีของพระองค์ร้องคิดไว้เสมอยังชื่นใจจับใจในความดีว่านางสามาวดีงานนี้ผ่านไปไม่สำเร็จว่านางบางคณิยาก็คิดใหม่วันหนึ่งพระราชากำลังเล่นกีฬา อยู่ในพระราชใ น, ในพระราชอุทยานยังได้สั่งให้อาให้นำผ้ามาให้ไปที่ปร า, าสาททวานานสามาวดีเปิดคลังผ้าแล้วก็คลังน้ำมันให้หญิงทั้งหมดเข้าไปอยู่ในห้องลั่นกุญแจข้างนอกพระน้าต่างมันเล็กๆออกไม่ได้ ไล่นกุญแจข้างดอกให้ผ้าชุบามันพันเสาแล้วก็จุดไฟเมื่อท่านเจ้าอามาคานิยพรามทำอย่างนั้นหญิงห้าร้อยก็ถามว่าทาเพื่ออะไรเขาบอกว่าขึ้นชื่อว่าพระราจาฐานย่อมมีไัยจากสอดร้อยหลวละมอดมันจะกินเสาไม่กินขวาพระราชาสังภาผ้าชุบามันพันเสากันสัตว์ไม่ขึ้นไปรบ ก, กวน แล้วขอบรรนางทั้งหมดเข้าไปในห้องห้องใครห้องมันที่อยู่ <c oughs> แล้วไโชมตรูก็เอาใส่กุญแจข้างนอกออกไม่ได้พันเสร็จเรียบร้อยแล้วราดน้ำมันโชว์แล้วก็จุดไฟจุดหมดรอบตัวยิงท้าไหลายอยู่ข้างในหนีไม่ได้ พรนางสามาว ด, ดีก็ให้อวัยกรรมบรรดาหญิงท่านหลายว่าเจ้าทั้งหลายจงอย่าโกรธในมาคานิยภาพย์อย่าโกรธในใครทั้งหมดการถูกเผาอย่างนี้เราไม่เผาชาตินี้ชาติเดียวเราอาจจะถูกเผามาแล้วในชาติไม่ทุนเพราะกรรมที่เบื่อโอษลขอทุกคนตัดสินใจเพื่อกันห้างจงพิจารณาอาการ32ของร่างกาย ร่างกายนี้ไม่มีอะไรดีอาการสารทสองทั้งหมดมันเป็นสภาพความสงปรกแลวไม่เที่ยงแท้แน่นอนจิตที่เราจย่พึงทำก็คือนะคือปฏิบัติตามคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระจินดาวน์ไม่ยึดร่างกายเป็นสำคัญขึ้นเชื่อว่าความตายเป็นธรรมดาของร่างกายทั้งหมด แต่ถ้าเราจะตายคราวนี้ก็ค่อยตายไปอยู่ที่ดีไม่ต้ตายไปอยู่ที่ชั่วถ้าใครทาจิตข้างตัวให้หม่นหมองโกรธใครคนใดคนหนึ่งหรือว่ามีความวิปัิสนาเดือดร้อนจากทุกขเวทนากรรมทั้งหลายเหล่านั้นจะรุมเราทำบาปอาวัยวะภูมิจงอย่าทาทำใจใเป็นสุขยิงทั้งหลายเหล่านั้นพิจารณาทุกขเวทนาที่เข้ามาถึง ว่าการเกิดมันไม่ดีอย่างนี้ตามที่องค์สมเด็จพระจันทร์ีทรงสั่งสอนเราทําความดีแสนดีแต่ศัตรูก็มีทลอดเวลาในที่สุดเพลิงก็เผาผลาญหญิงทั้งห้าร้อยตายหมดแต่ว่าก่อนที่จะตายบางท่านก็ยังทรงอยู่ในความเป็นระโสดาบันบางส่วนเป็นพระสกิทาคารีบางส่วนเป็นพระอนาคามี เรียกว่าความดีสูงสุดขึ้นไปเมื่อพระราชาทรงทราบคือพระเจ้ า, าเทนทรงทราบว่าประสายของหญิงตั้งห้าร้อยไม้ไฟคิดได้ทันทีว่ากรรมนี้ไม่ใช่ใครแน่นอนต้องเป็นแม่มาคันติยากแกล้งแน่นอนการบราดประหารเขานี้ต้องไม่ใช่ใครแน่ แต่ก็ไม่แสดงการอเมกมารีบวิ่งมาจากสนามกีฬามาถึงก็บัญชาการให้ดับไฟทุกคนก็ทำการดับไฟเมื่อไฟดับเสร็จก็ปรากฏว่าหญิงทั้งห้าร้อยมีพนนางสามาวดีเป็นประธานเสร็จเรียบร้อยเหมือนกันหมดหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบรมศรีก็ส่งสแสดงวัธรรมเททนาต่อไป เล่าเรื่องต่อไปว่าพระเจ้าเทนิเป็นพระราชาตามธรรมดาคนที่จะเป็นพระราชาเนี่ยต้องเป็นคนฉลาดถ้าไม่ฉลาดก็ไม่มีอำนาจคุมใจคนได้เพราะว่าอีกคนสองคนไม่ใช่ว่าจะมีแต่แค่เมียสามคนพระราชาต้องปกครองคนทั้งประเทศถ้าข่ายความเฉลาดและปกครองไม่ได้เขาเหยียดแจ่มตายหมด สมเด็จพระบรมโคดสุนทรแสดงว่าไม่เวลานั้นพระเจ้าทีนมีความรู้สึกว่ากรรมนี้ไม่เหยใครแน่ต้องมีน้ำพนางบางคธิยาทมแต่ว่าถ้าเราจะใช้กำลังหักขารเข้าสอบสวนลและกำลังขับโพสะตั้งท่าวางอำนาจนามบางคธิยาต้องไม่รับแน่เมื่อเธอไม่รับ คนที่ลงมือทาก็ไม่รับพระผู้ถูกกระทาก็ตายไปหมดแล้วเราก็หาหลักฐานอะไรไม่ได้<ม>เป็นนวานางสามาวดีจอมใจคือว่าเป็นที่พึ่งขององค์ก็ต้องตายเปล่าเพราะมิรันดร์ห้าร้ อ, อยเราจะต้องทำใจดีสู้เสือทำไปยิ้มแย้มแจ่มใสก็เรียกว่ามาย่างสัตว์ มายากริส์ทนี่กลัวก็ถัองทำเป็นเหมือนไม่กลัวโกรธต้องทำเป็นเหมือนไม่โกรธเสียใจต้องทำเป็นเหมือนไม่เสียใจต้องมีกำลังใจเข้มแข็งต้องทำได้พระองค์จึงได้ทรงทำพระพักเฉยๆแล้วพูดกบบรรดาเหล่าอมาายข้าราชบริพารที่แวดล้อมอยู่ที่นั้นเป็นธรรมดา เรื่องใหญ่มันเกิดขึ้นทุกคนก็ต้องมาแวดล้อมพราชาเวลาประสาทไหม้ก็ต้องช่วยกันใครมีงานก็ต้องทิ้งแล้วมาช่วยกันพราชาลงวิ่งมาแล้วคนอื่นไม่วิ่งก็เจ๊งแล้วองค์จึงได้ทรงตรัส ด, ดังๆว่าแม้กรรมนี้ใครทานะมันแฉ่งดีแสนดีอีกความจริงพนางสามาวดีก็ดี หญิงตั้งห้าร้อยคนดีที่มีชีวิตอยู่เราไม่ได้มีความสุขเลยจะสังเกตได้ว่าเธอเอาใจออกห่างอยู่เสมออันดับแรกเอาใจออาห่างเจาะฝาดูคนข้างนอกแสดงว่านางนี่มีจิต ก, กำาเริบในด้านด้านการารมนิยมกามารมเป็นเครื่องยิ่งใหญ่เราให้แล้วเท่าไหร่เธอไม่พอ ยังจะอาใจจดจ่อหาคนข้างนอกเข้ามาอีกนี่เป็นข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองเธอเอาพินเขาเอาเอางูเข้ามาใส่ในพินเพื่อจะล้างชีวิตเราให้ตายข้อที่สามเรื่องไก่เราจะให้แกงไก่กินกับเหล้าแต่เธอนั่นเล่าบอกว่าฉันไม่ทําแ้่บอกให้ทําถวายพระเธอทํา นี่มันก็เป็นเรื่องแปลกเราต้องหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาที่เป็นนางสาวมาวาดีกับหญิงห้าร้อยอยู่ไม่ได้มีความสุขเวลาที่ฉันเป็นนอนที่ตำหนักนั้นเมื่อไรใจฉันก็ไม่สบายต้องนอนหวาดระแวงอยู่เสมอหลับไม่สนิทคิดว่าจะมีอันตรายเมื่อไรก็ไม่ทราบฉะนั้นการที่บุคคลที่เผานางสามาวาดีพร้อมหญิงห้าร้อยนี้ ฉันคิดว่าจะเป็นคนที่มีความรักและความเมตตาปราณีในฉันฉันปลื้มใจมากถ้าหากว่าฉันจะลงออกคำสั่งสั่งให้ประหารหญิงห้าร้อยนี่เพราะการที่ระแวงสงสัยเขาเชาบ้านก็กระหานอินทาได้เพราเหตุผลใดใดที่กล่าวไปเขาก็มองมาเห็นฉันก็เป็นคนเสียเวลานี้ฉันสุขใจแล้ว เพืคนที่มีความนันใจเป็นแก้วสายสะอาดประทัจากหวังหวังดีกับฉันเขาําทำให้ฉันสบายใจตอนนี้ไปฉันยันหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ทราบว่าใครหนอเป็นคนทำถ้าทราบแล้วจะมอบรางวัลให้เป็นกรณีพิเศษพอท่งกล่าวจบท่านพูดดังๆ เวลานั้นบรรนางบางคณิยาเย็นฝ้าอยู่ใกล้ๆจรึงเข้าไปกราบแทบระบาทของรองต้องของพระองค์แล้วยังกล่าวว่าทำอันนี้หม่อมฉันทําเองพระพุทธเดียวกาทั้งนี้เพราะว่ามีความปรนน้ำมีความกระตันอยูรู้คุณในพระองค์แล้วก็แต่สายความเมตตาปรานีจอะองค์จะมีความสุข เห็นว่าอีหญิงห้าร้อยคนนี้มันคิดเนอาใจยะฆ่าพระองค์ตามที่หม่อมฉันกลาบถูนแล้วแลวพระองค์ก็ทรงทราบแล้วถึงผลนี้การกระทำฉะนั้นหม่อมฉันอดใจไม่ไหวถ้าพระองค์ต้องตายไปในหม่อมฉันก็หมดความสุขจะมีแต่ความทุกข์ยิ่งเสี่ยงกรรมกระทำลงไปจะฆ่าเพื่อพระองค์โดยแท้ พระเจ้าเทียนทรงฟังก็สตัณแสดงห้การดีใจปราบเรื่มยิ้มแย้มแจ่มจใสว่เาเออพี่คิดแล้วว่าคงไม่ใช่ไครนะต้องเป็นน้องแน่ที่มีความหวังดีต่อพี่ยิงมอบรางวัลให้เป็นกรณีพิเศษจะแต่งตั้งเขาเป็นเอกอัครมเหสีหรือเปล่าก็ไม่ทราบอัครมเหสีน่าเป็นแล้วแต่เอกแล้วไม่เอกไม่ทราบ ก็ยังมีพระ น, นางวาสุนันตายท่านเลยโอ้นี่เงียบสงัดไม่มีเรื่องแล้วรวมความวม่าจำเริ ก, กาศว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปรางวัลใหญ่จะมีกับเจ้าและญาติของเจา้าถ้าเจ้ามีญาเท่าไราประกาศให้มาให้พร้อมกันจะมอบรางวัลให้เป็นกรณีพิเศษสำหับเธอนี้ก็เช่นเดียวกันจะแต่งตั้งเป็นเอกอัครมเหสี เป็นสตรีผู้เลิศในประเทศนี้อาราบดาท่านพุทธบริษัทมองดูเวลามันก็หมดเวลาที่จะพูดเรื่องราวนี้พน ด, ดีตอนนี้ไปก็มาคุยกันนเรื่องกฎคงกรรมพวกท่านที่ฟังมาแล้วนี่อย่าฟังเฉยๆนะสำหรับท่านที่ได้มโนมยิทธิรู้จักภาวะปณิพานจิตใจเข้าถึงปนิพัน์ ยงใช้กําลังเขเอาตีต่างสี่านเท่าหักสามารถทำได้เวลาฟังเรื่องราวอะไรก็ตามฟังเทก่กวดีฟังเขาพูดกวดีควรจะใช้วิชานี้ทบทนวนมาเสมอว่าสิ่งที่แล้วเขาพูดมาเป็นมีสภาพไปยังไงมีความจริงไปยังไงคนนั้นหลายเหล่านั้นมีโรคด่างหน้าตาไปยังไงกรรมที่เขาทำทำประเภทไหนให้ทราบผล ถ้าทุกคนฝึกว่าอย่างนี้จะมีอาการคล่องตัวและก็จงจำไว้เสมอว่าพ น, นางสามาวดีกับยิงห้าร้อยเป็นคนดีแต่ต้องถูกเผาดีแสนดีก็ผูกเผาดีแสนดีก็ตายดีแสนดีก็ถูกกันแกล้งสำหรับคนายำอย่างนามาคณิยากลับได้ดีมีความสุขในการการเชิดหน้าชูตาจากพระราชา นี่มันก็เป็นไปได้นะทั้งอดีตที่ทั้งอดีตที่แล้วมาก็ดีในปัจจุบันก็ดีมันก็มีอย่างนี้ได้คนเลวแสนเลวเจ้าผู้ใหญ่เห็นว่าดีอย่างนี้มีถมไปคําว่าผู้ใหญ่ไม่ได้หมายถึงทางราชการนะ <c oughs> หมายถึงคนผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆกับพวกเราเราท่านอาจจะมีการเข้าใจผิดเพราะการประจบประแจงของเขาฉะนั้นบรรดาเหล่าเราผู้ถบริษัท ยังเป็นสาวโโกพ ร, ระองค์สมเด็จพระทรงเสวัสดีโซภาคจงคิดไว้เสมอว่าการเกิดมีร่างตายนี่มันไม่ดีร่างกายขเขาี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแก่เรื่อยไปทุกวันมีการพัดพร่จากของรักของชอบใจมีการป่วยไข้ไม่สบายเป็นเครื่องนิทรรบันทอนอย่อมท่า น, นชีวิตเราจะต้องตาย เราจะปรารถนาอะไรก็าการเกิดต่อไปทําใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปมม์ศาสนาทรงตรัสว่าสัพพปาปัสสะกระนังละความชั่วให้หมดกุศลสูบปัสมัานทำแต่ความดีภิจิตตะประโยชน์ปัญญังทําจิตใจให่องใสจากกิเลสและองค์สมเด็จพระบรมโลกราชีก็ทรงยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตรัสอย่างนี้เหมือนกันหมด อนมีองค์สมเด็จพระบรมสุโคตรัสเหมือนกันเขาว่าถ้าทําได้อย่างนี้แล้วเราจะไม่ต้องเกิดต่อไปขึ้นที่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์คนดีเป็นเทวนาวคนดีเป็นพรหมกนดีจะไม่มีสมบัตเปลาเนืองอบายภูมิไม่ได้พบกันแน่การเกิดเป็นสัมโนกเป็นสุรกายปฏิฉันไม่มีแน่มีทางเดียวก้าวหน้าเข้าไปห า, านิญญาณ ดังนั้นอันดับตนของบรรดาแต่ผู้ทธบริสัททุกท่านที่เป็นพระเป็นเลนอุบาสกอุปัติการตั้งใจคิดไว้ว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงการนินทาว่าร้ายเป็นการแกล้งเป็นของท่านบรรดาของการเกิดมา ท, ทําผิดให้เป็นสุขกําจัดความทุกข์ในการเข้าถึงพระไตรสนาคมทั้งสามการคือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึง ถ้า ใ, ใจเข้าไปถึงศีลรมศีลประจำตัวให้บริสุทธิ์ผุทพองคิดใจว่ากิจใดที่เราจะตองสนองคุณพระเจ้านั่นคือหวังมริพาัยตั้งใจไว้เสมอว่ามนุษย์โลกเทวโลกและพรมโลกไม่เป็นที่ต้องการสำหรับเราเราต้องการอย่างเดียวมนิพภันแล้วก็พยายามบาทประหายความโลภด้วยกานทานติกรรมฐานบาดประหายความโกรธด้วยพรมยานสี่ ทำลายกิเลสตัวดีคืออุปาทานการยึดมั่นถือมั่นด้วยปัญญาคิดว่าการเกิดมาไม่มีผลอดัม บ, บันดาท่านพุทธศาสนนิกชนท่านญาณบอกหมดเวลาหมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแดบรรดาท่านพุทธศาส น, นิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี